ันสรุปคาถาที่พระองค์ตอบว่าภิกษุพึงรู้คุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นภายในหรือภายนกอก น, นะคุณธรรมก็คือออกบวจากสกุลสูงเป็นต้นจนถึงเคร่งครัดในศีลสมถได้สมถะเป็นต้นนะก็ไม่ถึ ง, ถงความรุนแรงคือมีมานะด้วยคุณธรรมนั้นเพราะว่าการมีมานะอย่างที่กล่าวไปผู้สงบคือพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านไม่บอกว่านั่นอ่ะเป็นความดับกิเลสนะ น, นะเพราะดับกิเลสไม่ได้หรอกถ้ามีมานะอย่างนั้น แล้วก็ชี้นําต่อไปนะให้ความสําคัญกับเรื่องมานะเพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้มีมานะมากแล้วก็สอนว่าภิกษุไม่พึงสําคัญว่าดีกว่าเขาต่ํากว่าเขาหรือแม้ว่าเสมอเขาด้วยคุณธรรมนั้นอย่าเอาคุณธรรม น, นั้นเป็นที่ตั้งแห่งมานะแบบนั้นภิกษุผู้พร้อมด้วยคุณธรรมเป็นอนเนกคือเป็นอันมากไม่พึงตําหนดตนแล้วดํารงอยู่นะนกระไรว่า อย่ามีมานะนะได้คุณธรรมอย่างที่กล่าวไปก็ไม่ต้องมีมานะว่าดีกว่าหรือเสมอเขาหรือว่าเลวกว่าเขาแล้วก็ถ้าเพียรพร้อมด้วยคุณธรรมก็อย่ากําหนดตนด้วยอํานาจตันหากับทิฐิเนี่ยนะอธิบายว่าภิกษุไม่พึงสําคัญตนว่าดีกว่าเขาด้วยคุณธรรมนั้นความว่าภิกษุไม่พึงยังความถือตัวให้เกิดว่าเราเป็นผู้ดีกว่าเขาด้วยชาติด้วยโคตด้วยตระกูล ด้วยความเป็นบุตรแห่งสกุลด้วยความเป็นผู้มีรูปงามด้วยทรา์ด้วยความเชื่อเชิญด้วยหน้าที่การงานด้วยหลักวิชาด้วยวิทยาฐานะด้วยการศึกษาด้วยปฏิพัณธ์หรือด้วยวัตถุอย่างอื่นๆเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าดีกว่าเขาด้วยอย่างที่กล่าวไปหรือสําคัญว่าต่ากว่าเขาหรือว่าเลวกว่าเขาอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคำว่าเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมเป็นอเนกความว่าเป็นผู้เพียบพร้อมห้อมล้อมพรั่งพร้อมประกอบด้วยอาการละอย่างเรียกว่าคุณธรรมเป็นอเนก ก็ไม่พึงกำหนดตนตนเรียกว่าอัตมันไม่พึงกำหนดกำหนดวิเศษถึงความกำหนดตนดำรงอยู่ไม่ใช่ว่าไปกำหนดตนนะนนก็คืออย่าถือตนนั่นเององค์ก็สอนเป็นคาถาต่อไปว่าภิกษุพึงสงบกิเลสในภายในนี่แหละไม่พึงสแสวงหาความสงบโดยทางอื่นเมื่อภิกษุสงบกิเลสเป็นภายในแล้วอัตตะทิฏฐิ คือสัสตะทิฏฐิหรือนิรตะทิฏฐิหมายถึงอุเฉททิฏฐิย่อมไม่มีแต่ที่ไหนๆอนะีถ้าจะดับถ้าจะสงบก็สงบกิเลสในใจนี่แหละไม่ต้องไปสแสวงหาความสงบกิเลสข้างนอกหรอกนะนะียรว่าสแสวงหาความดับความดับกิเลสสงบกิเลสก็ต้องดับในใจตนนะกันจะไปเมื่อดับกิเลสในภายในอย่างนี้แล้วจะไม่มีทั้งสัสตะทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิ อธิบายว่าคําว่าภิกษุพึงสงบกิเลสในภายในนี่แหละความว่าภิกษุพึงสงบเข้าไปสงบอันนี้เข้าไปสงบวิเศษดับประงับซึ่งกิเลสซึ่งเป็นภายในไม่ว่าจะเป็นราคะโทสะโมหะความโกรธความผูกโกรธความลบลู่ตีเสมอความริษยาความตรนีความหลอกลวงความโอ้อวดความกระด้างความแข็งดีความถือตัวความดูหมิ่น ความเมาความประมาทกิเลสทั้งปวงทุจริตทั้งปวงความกวนกวายทั้งปวงความเร่าร้อนทั้งปวงอกุศลาภิสังขารทั้งปวงฉะนั้นจึงชื่อว่าพึงสงบกิเลสในภายในนี่แหละถามมาสมุทัยนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่ต้นไม้ใบหญ้าภูเขาใช่ไหมไม่ใช่อยู่ในภายในนี่แหละคําว่าไม่พึงสแสวงหาความสงบโดยทางอื่น ความว่าภิกษุไม่พึงแสวงหาค้นหาเสาะหาซึ่งความสงบความเข้าไปสงบความเข้าไปสงบวิเศษความดับความระ ง, งับโดยทางแห่งความไม่มดจดนะอย่าไปแสวงหาข้อปฏิบัติที่ผิดนะนะหรือว่าอย่าไปแสวงหา ป, ปฏิปทาที่ผิดโดยธรรมะไม่เป็นทางแห่งความพ้นทุกข์อย่างอื่นนะอย่าไปหาข้อปฏิบัติ อ, อื่นที่ช่วยให้อ่าอย่าไปแสวงหาข้อปฏิบัติอื่นที่ไม่ช่วยให้พ้นทุก อันนะั้ข้อปฏิบัติที่ไม่พ้นทุกข์คืออะไรต้องเอาข้อปฏิบัติที่ถูกมาวัดถ้าอื่นจากนี้เรียกว่าข้อปฏิบัติผิดคืออื่นจากสติปทานสี่อื่นจากสัมมาปธานสี่อื่นจากอิทธิบาทอินทรียีพระโพชงอริยมัคมีองค์8เนี่ยนะเพราะฉะนั้นอย่าไปสแสวงหาข้อปฏิบัติที่ที่เพื่อดับกิเลสนอกจากโพธิปัจจยธรรมเพราะฉะนั้นให้ยึดถือข้อปฏิบัติอยู่ในหลักโพธิปัจจยธรรม เพอบรมโพธิปักขยธรรมเนี่ยนะโพธิปัจขยธรรมเป็นข้อปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งนิโรธสัจจะเพราะว่าการอบรมโพธิปัจขยธรรมก็คือการอบรมภาเวตาธรรมนั่นเองคําว่าเมื่ อ, อเมื่อสงบกิเลสภายในแล้วคําว่าเมื่อสงบกิเลสภายในก็คือสงบเข้าไปสงบเข้าไปสงบวิเศษดับระงับซึ่งกิเลสในภายในกิเลสภายในมีอะไรบ้างราคะโทสะโมหะ ความโกรธความผูกโกรธความลบลู่ตีเสมอความริษยาความตะนีความหลอกลวงความโอ้อวดความกระด้างความแข็งดีความถือตัวความดูหมิ่นความเมาความประมาทกิเลสทุจริตความกวนกวายความเร่าร้อนอะกุสลาภิสังขารทั้งปวงนะเพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่าเมื่อสงบกิเลสในภายในถ้าสงบกิเลสดังกล่าวไปแล้วนะนัตถิ ในคํา <ontin> <disgrace information. S 2> ว windows, ่าอัตินัตหรือในนัตถ <anim>. ิในคําว่าอัตตะทิฐิหรือนิรัตะทิฐิความว่าย่อมไม่มีแต่ที่ไหนไหนปฏิเสธคําว่าอัตตะทิฐิคือสัสตะทิฐิก็ไม่มีคําว่านิรัตะทิฐิหรืออุเฉทัทิฐิก็ไม่มีความถือว่าตนย่อมไม่มีความปล่อยว่าไม่มีตนก็ไม่มีเกิดว่าถ้าไม่มีสัสตะทิฐิก็แสดงว่าไม่มีอุเฉทถ้าไม่มีอุเฉทก็ต้องไม่มีสัสตะทิฏฐิเนี่ยนะ พความถือไม่มีแก่พิสูตรใดความปล่อยก็ไม่มีแก่พิสูจนั้นความปล่อยไม่มีแก่พิสูตรใดความถือก็ไม่มีแก่พิสูจนั้นภิกษุผู้เป็นพระอรหัน์เนี่ยนะก้าวล่อง<ล>ความถือและความปล่อยเสียแล้วเนี่ยนะพระอรหัน์เนี่ ย, นนยท่านก้าวล่องความถือด้วยอํานาจสัสตตถิทิหรือปล่อยด้วยอํานาจอุเฉทิตเสียแล้วท่านล่วงเลยความเจริญและความเสื่อมเสียแล้ว พระาหันนั้นอยู่จบพรหมจรรย์แล้วมีจรณะอันประพฤติแล้วนียบริบูรณ์ด้วยคุณธรรมของพระาหัน์เพราะฉะนั้นภิกษุนั้นมิได้มีความเกิดในภพใหม่ต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าปฏิบัติสงบกิเลสในภายในอย่างนี้ก็จะละทั้งสัตตถิทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิบรรทัดปฏิบัติได้คุณธรรมอย่างนี้นะสัตตถิทิฏฐิและอุเฉธทิฏฐิย่อมไม่มีแม้แต่ที่ไหนๆไปที่ไหนก็จะไม่เกิดสัตะและอุเฉททิฏฐิเลย สรุปว่าภิกษุพึงสงบกิเลสในภายในนี่แหละก็คือสงบราคะโทสะโมหะเป็นต้นในภายในนี่แหละไม่พึงสแสวงหาความสงบอื่น น, นะสงบอื่นก็หลักปฏิบัติตามรัตทิทิหกสิบสองเนี่ยนะต้องไม่เป็นไปตามนั้นเพความข้อปฏิบัติเพื่อความสงบก็ต้องเป็นอริยมรรคเป็นต้นนั่นเองเมื่อภิกษุสงบกิเลสในภายในอย่างนี้ก็จะไม่มีสัสตทิฐิและอุเฉททิฐิอันนี้ก็เป็นเครื่องวัดอย่างหนึ่งนะ นนว่าใครปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่บางคนก็เป็นอุเฉดบางคนก็เป็นสัสตตานี้ก็แสดงว่าไม่ใช่พระองค์ก็อุปมาให้เห็นชัดว่าคลื่นย่อมไม่เกิดในท่ามกลางแห่งสมุดสมุดสงบอยู่ฉั้นใดภิกษุพึงเป็นผู้หยุดอยู่ไม่มีความหวั่นไหวฉันนั้นภิกษุไม่ควรทํากิเลสเครื่องฟูขึ้นในที่ไหนไหนเนี่ยนะนี่ก็เปรียบเทียบอุปมาว่าคลื่น ไม่เกิดในถามกลางสมุดไอ้คำว่ากลางนี่คืออย่างไรคำว่าเคลื่อนย่อมไม่เกิดในถามกลางแห่งสมุดสมุดนี้สงบอยู่ชั้นใดความว่าโดยส่วนลึกสมุดนี่ลึก 84,000 ืนนยดน้าข้างล่างสี่0มื่นยดย่อมวันไหวเพราะปลาและเต่าทั้งหลายน้ําข้างบนสี่0 0ื่นยอย่อมวันไหวเพราะลมน้าในระหว่างกลาง 4, ี่พันยอด ย่อมไม่หวั่นไหวนะกำเริบวนไปมาปันป่วนปันป่วนพร้อมเป็นสมุดไม่หวั่นไหวไม่เกลื่อนกลนไม่กำเริบไม่วนไม่ปวนไม่ปั่นสงบอยู่เพราะฉะนั้นคลื่นไม่เกิดในกระหว่างกลางแห่งสมุดนั้นเป็นสมุดนิ่งแม้ด้วยเหตุอย่างนี้จึงเชื่อว่าคลื่นย่อมไม่เกิดในท่ามกลางสมุดสมุดหยุดนิ่งหยุดอยู่ฉันใด คือข้างบนเนี่ยนะสี่หมื่นยอดก็เคลื่อนลมพัดใช่ไหมข้างล่างสี่หมื่นยอดปลาและเต่าก็ทําให้เคลื่อนส่วนตรงกลางเนี่ยนะสี่พันยอดเนี่ยตรงนั้นนะ่ะนิ่งอ่ะนะช่วงกลางอะ่ะไม่ใช่คลื่นนี้ไม่ใช่ทะเลเราสมุดสมุดสมุดสีทันดรเป็นต้นอ่ะสมุดที่ไม่ใช่ทะเลบ้านเราหรอกทะเลบ้านเราลึกถึงแปดหมื่นสี่พันยอดที่ไหน แต่หมายถึงคนละทะเลกันอ๋อมั น, ม, ม, นมันก็นิ่งอ่ะถ้าถ้าเราสังเกตลึกมากถ้าเราเปรียบเทียบธรรมดาเนี่ยนะข้างล่างเนี่ยเราเอาปลาและเต่าเนี่ยมาเลี้ยงเอาตุ่มก็ได้เอาตุ่มอ่ะข้างบนเนี่ยลมมันจะพัดกระเพื่อมใช่ไหมชั้น ล, าล่างลอ่ะนะถ้าเลี้ยงสัตว์เล็กๆมันก็ทำให้ข้างล่างเคลื่อนอะตรงกลางก็นิ่ง อีกอย่างหนึ่งสมุดสีทันดรมีอยู่ในระหว่างภูเขาทั้งเจ็ดเนี่ยน้ำในสมุดสีธันดรนั้นย่อมไม่หวั่นไหวกําเริบวนไปวนมาปั่นป่วนปั่นป่วนพร้อมเป็นสมุดไม่หวั่นไหวไม่เกลื่อนกลนไม่กําเริบไม่วนไม่ป่วนไม่ปั่นป่วนสงบอยู่คลื่นไม่เกิดในสมุดสีทันดรนั้นอ่ะเป็นสมุดนิ่งด้วยเหตุอย่างนี้ฉันจึงชื่อว่าคลื่นไม่เกิดในท่ามกลางสมุดเนี่ยสมุดสีธันดรมีที่ไหนเราเคยเห็นที่ไหน นะก็อยู่คนละคละไม่ใช่ที่ตาเนื้อเราเห็นนี่แหละคาว่าเอวังเนี่ยนะก็คือเป็นคําอุปมายอย่างเครื่องอุปมาให้ถึงพร้อมเนี่ยนะคำว่าเป็นผู้หยุดอยู่คือภิกษุไม่หวันไหวกําเริบปุ้นวายสะเทือนสถานปั่นป่วนแม้ในเพราะราบเพราะฉะนั้นเครียกว่าให้นิ่งอย่างนั้นอ่ะเหมือนทะเลถามว่านิ่งในเรื่องอะไรบ้างอ่ะที่ต้องไม่วันไหวแบบนั้นนะก็เหมือนต้องไม่ปั่นป่วนในเพราะราบ ในเพราะความเสื่อมลาบเพราะยศความเสื่อมยศเพราะสรรเสริญ น, น, นะหรือเพราะความเนรธาแม้สุขและทุกข์ฉะนั้นภิกษุจึงชื่อว่าพึงเป็นผู้หยุดอยู่ฉันนั้น น, นะให้นิ่งเหมือนน้าสมุทรนะได้รับโลกกระทำฝ่ายดีฝ่ายร้ายก็นิ่งเหมือนเดิมหมดตันหาท่านเรียกว่าความห ว, วั่นไหวเนี่ยนะก็คือตันหาราคาสราคาอภิชาโลภาคุศลมูลเนี่ย น, นะตันหานี่แหละเป็นความหวั่นไหวตันหาคือความหวั่นไหวนั้นอันภิกษุใดละ ตัดขาดสงบประงับทําให้ไม่เกิดขึ้นเผาเสร็จแล้วด้วยไฟคือยานพิสูจนนั้นเรียกว่าไม่มีความหวั่นไหวเพราะเป็นผู้ละความหวั่นไหวเสียจแล้วพิสูจนนั้นจึงเชื่อว่าไม่มีความห ว, วั่นไหวนะไม่มีความหวั่นไหวด้วยตัณหาเนี่ยนะพิสูจนนั้นย่อมไม่หวั่นไหววุ่นวายสะเทือนสะทานปัน่นป่วนแม้ในเพราะลาบเสื่อมลาบเพราะยศความเสื่อมยศเพราะนินทาสรรเสริญในเพราะสุขและเพราะทุกข์ฉะนั้นเป็นผู้หยุดอยู่ หยุดอยู่ขึ้นไม่หวั่นไหวเหมือนอุปมาเหมือนน้าท่ามกลางสมุทรฉันนั้นนั่นแหละไม่มีตันหาทําให้หวั่นไหวในทุกอารมณ์ชื่อว่ากิเลสเครื่องฟูขึ้นในคําว่าพิสุไม่ควรทํากิเลสเครื่องฟูขึ้นในที่ไหนไหนได้แก่กิเลสเครื่องฟูเจ็ประการคือเครื่องฟูคือราคะโทสะโมหะมานะทิฐิกิเลสกรรมภิกษุไม่ควรทํากิเลสเครื่องฟูนั้นน่ะ ไม่พึงให้เกิดให้เกิดพร้อมให้บังเกิดให้บังเกิดเฉพาะนั่นะนะไม่ต้องให้กิเลสเหล่านี้มันฟูขึ้นเป็นฟองเลยนะไม่ต้องให้มันเดือดปุดปุดขึ้นมาในภายในเหมือนแฟบเหมือนสบู่นะไม่ต้องให้มันฟูแบบนั้น ในที่ไหนๆความว่าในที่ไหนๆไม่ว่าจะเป็นที่ใดทุกหนทุกแห่งทั้งภายในทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งภายนอกอ่ะเกี่าวกัไม่มีกิเลสฟองเป็นฟองฟูขึ้นไม่กระทั่งจะปารบภายในปลารบภายนอกทั้งภายในทั้งภายนอกฉันจึงเช่ว่าไม่ควรทํากิเลสเครื่องฟูขึ้นในที่ไหนๆสรุปคาถาว่าคลื่นย่อมไม่เกิดในท่ามกลางแห่งสมุทดสมุดสงบอยู่ชันใดภิกษุพึงเป็นผู้หยุดอยู่ ไม่มีความหวั่นไหวฉันนั้นภิกษุไม่ควรทำกิเลสเครื่องฟูขึ้นในที่ไหนไหนพระพุทธนเรมิตรก็ตรัสถามต่อไปอีกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีพระจักษุเจ่มแจ้งได้ทรงแสดงสักขิธรรมเครื่องกำจัดอันตรายแต่ข้าพระองค์ผู้เจริญนะ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์จงตรัสตอบปฏิปทาคือปาติโมกหรือแม้สมาธิเนี่ยนะก็เรียกว่าธรรมะก็แสดงได้อย่างดีแล้วฉะนั้นก็ต่อไปก็ขอให้แสดงปาติโมกแสดงสมาธิด้วยมา น, นคําว่าได้ทรงแสดงเนี่ยนะก็คือพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแสดงรอบตรัสบอกเทศนาบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกทําให้ตื่นประกาศแล้วฉะนั้นจึงชื่อว่าพระองค์ให้แสดงแล้ว